บัตรนี้จกักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไปนยะแห่งมหาสติปัฏฐานสูตรที่พระภูมีพระภาคเจ้าทรงเริ่มด้วยคำเป็นต้นว่าเป็นทางอันเอกซึ่งเป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์หมดจดแห่งสัตว์ทั้งหลายเพื่อช่วยให้ บุคคลก้าวล่วงความโศกความรำไรรำพันเพื่อการดับโดยไม่เหลือแห่งความทุกข์และโทมนัสเพื่อเกิดความรู้ยิ่งความรู้ดีและเพื่อความดับซึ่งเป็นหลักที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงจำแนกแสดงไว้โดยอเนกปริยายในที่นั้ น, น, นแต่เฉพาะในที่นี้ ได้ทรงสรุปลงที่เรื่องของกายเวทนาจิตและธรรมอันเป็นข้อปฏิบัติที่จะนำบุคคลผู้เข้าถึงบรรลุความสงบเป็นต้นไปดังกล่าวแล้วปัญหาที่น่าศึกษาในตอนนี้ก็คือว่าทำไมจ้องจำแนกแสดงออกไปถึงสี่กลุ่มใหญ่ๆด้วยกันคือเรื่องของกายของเวทนาของจิตและของธรรม นี้เป็นเพราะว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงตามพื้นเพอัติยาสัยของบุคคลเป็นประการสำคัญพระตามปกติแล้วพื้นเพอัติยาศัยอินทรีย์เป็นต้นของคนทั้งหลายนั้นแตกต่างกันบางคนมีอินทรีย์อ่อนบางคนมีอิออนทรีย์แก่กล้าบางคนมีจริตอย่ังหนึ่งอ่อนบางคนมีจริตอย่ังหนึ่งแ ก, ก่กล้านั้นธรรมะที่ สอนให้บุคคลปฏิบัติจึงต้องคล้อยตามจริตอัธยาศัยของเขาข้าวทานองที่พูดกันว่าลางเนื้อชอบลางจาดังนั้นในสัปปายะคือสิ่งที่ให้ความสะดวกสบายในการประพฤติปฏิบัติในการดารงชีวิตของบุคคลทั้งหลายจึงมีคำว่าธรรมะสัปพายะคือมีธรรมะที่ให้ความสะดวกสบายแก่การปฏิบัติสม บ, บุคคลผู้นั้น คืออารมณบ์บางอารมณ์สำหรับบุคคลเึ่งอาจจะเป็นข้าสึกคือไม่มีความสงบด้วยอารมณ์เหล่านั้นแต่ก็เปลี่ยนแปลงยกักย้ายไปใช่อารมณ์อื่นความสงบก็บังเกิดขึ้นได้มาสติปัฏฐานสูตรจึงเป็นการเสนอแนะหลักการปฏิบัติซึ่งอาจจะเริ่มต้นเดินทางคนละสายกันแต่จุดบรรจบคือความสงบและความรู้ยิ่งความรู้ดีความดับนั้นก็จะเป็ น, นันเดียวกัน ทำไมจึงจำแนกเป็นกายเวทนาจิตธรรมดังกล่าวก็เพราะว่าจริตคือพื้นจิตของคนนั้นแตกต่างกันเฉพาะในหมาสติปัฏฐานสูตรทรงแสดงจำแนกไปตามพื้นจริตของคนจึงทรงจำแนกไว้เป็นสองฝ่ายเรียกว่าตันหาจริตคือมีพื้นจิตที่สายไปปรารถนาความสุขความสมหวังในสิ่งต่าง ทั้งที่เป็นส่วนรูปธรรมและเป็นส่วนานมามไรทำกับทิฏฐิจริตคือมีความคิดเห็นที่ปักดิ่งลงไปในเรื่องเหล่านั้นมีความชื่นชมมีความยินดีจนถึงก็สยบติดแล้วก็เชื่อมั่นว่าเป็นอย่างนั้นเท่านั้นไม่เป็นอย่างอื่นเป็นต้นในจริตทั้งสองประการนี้ยังมีส่วนที่หยาบและส่วนที่ละเอียดแตกต่างกันออกไปเรื่องของกายกับเวทนา จึงทรงแสดงให้เหมาะสมแก่พื้นจริตของบุคคลที่เป็นตัญหาจริตคือมีจิตมักสายไปในอารมณ์ที่ใคร่ที่พอใจยินดีต้องการต่างๆคนนี้ผู้ศึกษาปฏิบัติธรรมจะเห็นได้ว่าความอยากในอารมณ์ของบุคคลทั้งหลายนั้นไม่เหมือนกันบางคนต้องการวัตถุที่ประณีตใหญ่จจำนวนมากเช่นต้องการเป็นที่ดินเลือกสวนไรนาเป็นนันมากเป็นต้น บางคนก็ต้องการวัตถุเหมือนกันแต่ก็ละเอียดอ่อนลงมาอาจจะเป็นการเล่นพวกเครื่องลายครามวกป้วยสังคลโลกหรือพวกที่ละเมียดละไมกว่านั้นภาพศิละปะกรรมต่างๆเป็นต้นซึ่งทั้งหมดก็คือพวกวัตถุกรรมทั้งนั้นแต่มีความละเอียดประณีตไปตามพื้นความพอใจของคนกายานุปัสสนาสติปัฐาน เป็นการแสดงให้คล้อยตามจริตอัธยาศัยของบุคคลประเภทที่เรียกว่าตันหาจริตหยาบคือมากแต่ปัญญาอ่อนไม่สามารถที่จะวิเคราะห์ขบเจาะให้ลึกไปกว่าที่ตนได้เห็นคือเห็นด้วยตาอย่างไรได้ยินด้วยหูอย่างไรสูดดมด้วยจมูกอย่างไรลิ้มด้วยลิ้นอย่างไรถูกต้องด้วยกายอย่างไรก็ปักใจฝังใจอยู่ในเรื่องเหล่านั้นเท่าที่เป็นอยู่เท่าที่ปรากฏทางประสาทสัมผัสของตน อันนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าปัญญาไม่แ ก, ก่กล้าพอที่จะเจาะให้ลึกลงไปในเรื่องเหล่านั้นว่าโดยสภาวะที่แท้จริงแล้วสิ่งเหล่านั้นที่ใจไปกําหนดหมายรักใคร่ยินดีเพลิดเพลินเรื่องหลงอยู่เป็นอะไรกันแน่ดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนเรื่องของกายคำว่ากายที่จริงก็แปลว่ากุอายะคือแหล่งที่ประชุมของสิ่งศักรปรกสิ่งปฏิกูลต่างๆมีผงคนและฝันเป็นต้น แต่ตามปกติแล้วก็มีการปรุงแต่งมีการรู ป, ปลายมีการฉาบทามีการปกปิดไว้ด้วยสิ่งถึงตคนก็ตัดสินเอาว่ารูปสวยเสียงไพเราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสน่าจับต้องตามที่ตนได้เห็นได้ยินได้สูดดมได้ลิ้มได้ถูกต้องในขณะนั้นๆไม่มีกำลังปัญญามากพอที่จะเจาะลึกลงไปว่าแท้จริงแล้วร่างกายนั้นสวยงามจริงหรือ เสียงนั้นไพเราะจริงหรือกลิ่นนั้นหอมจริงหรือรสนั้นหอมจริงหรือรสนั้นอร่อยจริงหรือสัมผัสนั้นน่าจับต้องจริงหรือเป็นต้นซึ่งจะเห็นได้ว่าในกายานุปัสสนานั้นก็เริ่มมาจากให้ดูที่ลมหายใจเข้าออกไปก่อนหรือถ้าไปได้ก็ไปได้เลยแต่ถ้าไปไม่ได้ก็ให้ระลึกอยู่ที่อิริยาบทใหญ่ยยสีอริยาบทเดียิยบทย่อยต่างๆถ้ายังไม่ไหวอีก ก็แยกกายออกเป็นธาตุสี่เป็นอาการสามสิบสองแต่ปัญญายังไม่แก่กล้าพอที่จะรู้จะเข้าใจและจะยอมรับความจริงเหล่านั้นนั่นก็สอนให้ดูซากศพที่ปรากฏอยู่ในป่าชา้าคือเรียนจากตัวเองไม่เห็นเพราะคนเราปรกติก็หลงตัวเองมีการทะนุถนอมตัวเองแล้วเพลิดเพลินกับความสวยงามของตัวเองอยู่เรียนจากตัวเองไม่ได้ก็ต้องไปเรียนจากคนอื่น ซึ่งข้อนี้เพิ่งเห็นว่าลักษณะของตันหาจริตที่เกิดขึ้นแก่กล้าทําให้หลงเพลิดเพลินอยู่ในความสวยความงามต่างๆบางครั้งบางคราวก็ถอนได้ยากจิ่งเพิงเห็นตัวอย่างคนระดับที่มีจริตอัธยาศัยพอที่จะบรรลุอรหันต์เป็นพระอรหันต์ได้เช่นพระนางรูปปันณธาเถรีซึ่งเป็นกนิตะภกินีของพระพุทธเจ้าตอนที่พระนางไปบวชนั้น ในพนันวดนั้นพระชนมายุก็ต้อง40สกว่าแล้วแต่พระนางก็ยังมีความส ำ, สำคัญมั่นหมายว่าพระรูปกายของพระนางนั้นงดงามเลยโฉมจนไม่มีใครจะเปรียบเทียบได้พระพุทธเจ้าต้องใช้อุบายวิธีต่างๆเป็นนั้นมากกว่าจะดึงพระนางเข้ามาฟังเทศได้แล้วเมื่อฟังเทศแล้วก็ต้องใช้อุปกรณ์ต่างๆคือจะให้เทียบเคียงดูที่ตัวเองพระนางก็ไม่ยอมรับประรู้ประสนอย่ด้วยจึงต้องใช้รูปนิมิต ที่เป็นสตีซึ่งสวยงามกว่านางหลายส่วนและอยู่ในวัยที่ยังสาวอายุ 15, 16เท่านั้นเองจนพระนางไปให้ความสำคัญความสวยงามแก่รูปภายนอกแทนที่จะรูปตัวเองและพ ร, ระองค์ก็เริ่มบรรดาญในยพุทธานุภาพนั้นให้รูปเปลี่ยนแปลงไปอย่างเร็วคือตัดกาละต่างๆดีขันเอาไว้จากวัย 15, 16มาไม่เพียงกี่นาทีก็กลายเป็นคนแก่ร้อยอายุร้อปีลม้ลมลงตาย ตายแล้วก็เริ่มพองอย่างรวดเร็วเปื่อยหน้าผุพังไปโดยลำดับมีแรงกาลงจิกกินกันทับไต้ท้พุงเกลื่อนกลาดไปเมื่อจิตใจของนางเกิดความสงบเกิดเห็นความปฏิกุลในร่างกายและพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงธรรมะเข้าไปในช่วงนี้เมื่อพระนางฟังไปพิจารณาตามไปก็บรรลุอรหังได้นี่เป็นเพราะอะไรเพราะว่าตัณหาจดิตก้า ปัญญานั้นไม่ยอมนํามาใช้จนก่อให้เกิดเป็นความหลงรูปของตัวเองและแม้แต่เห็นรูปคนอื่นก็เกิดหลงรูปคนอื่นโดยการกําหนดเพียงที่ตาเห็นเป็นต้นอันกล่าวแล้วหลักการที่ทรงแสดงไว้ในกายานุปัสนาสติปัฏฐานจึงเป็นอุปาเยวิธีที่จะให้คนได้คิดอย่างน้อยที่สุดก็บันเท่ากระแสแห่งตัณหาที่มีอยู่ภายในจิตคืออย่าถลงกอย่าถึงก็หลงก็ยึดก็ติด อยู่ในรูปกายตนและกายบุคคลอื่นเกินไปแต่ในขณะเดียวกันก็ให้อาศัยกายที่ไม่มีสาระแก่นสารนั้นแท้จริงประกอบสิ่งซึ่งมีสาระแก่นสารให้บังเกิดขึ้นภายในจิตของตนความติดในรู ป, ปรวัตถุที่เราเรียกว่าวัตถุกามนั้นมีความละเอียดประณีตไปดังกล่าวพอถึงจุดหนึ่งเราจะพบว่าคนมีความชื่นชมในรูปธรรมจนถึงกระรูปฌาน รูปฌานก็คือชื่นชมในตัวอารมณ์ที่มีความสงบมีความประณีตขึ้นไปนั่นก็คืออะไรนั่นก็คือเรื่องของเวทนาเป็นการเสวยอารมณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนั้นๆคนบางพวกอยากได้เหมือนกันแต่ต้องการในรูปของความสุขคือจากเวทนาที่เรียกว่าสุขเวทนานั่งอย่างไรสุขนอนอย่างไรสุข อยู่ในรยาบทใดสุขอยู่ในสถานที่ใดสุขก็สแสวงหาสถานที่เหล่านั้นอาศัยอารมณ์เหล่านั้นบางครั้งบางคราวแม้เลยจนเป็นถึงนักปรัชญาไปมันก็ติดอยู่ที่สุขเวทนาเหล่านั้นก็นี้พึงดูตัวอย่างพวกเฟอร์นิเจอร์ต่างๆที่มีการประดิษฐ์ประดอยออกไปเพื่อให้นั่งอย่างนั้นสบายนอนอย่างนี้สบายนั่งครึ่งตัวสบายเป็นต้นมันก็คิดประดิษฐ์ประดอยไปทาไมจึงคิดเช่นนั้น ก็เพราะต้องการสุกเวทนาที่เกิดขึ้นจากอิริยาบถคือการนั่งการนอนริยะบดต่างๆของตนนี่แสดงถึงตัณหาจริตนั้นก็ไม่แก่กล้ามากนะักแล้วปัญญาก็มีความแหลมคมขึ้นเียกตัณหาจริตก็อ่อนลงหน่อยปัญญาแหลมคมขึ้นแต่ก็ไม่ถึงกับช่วยตัวเองให้หลุดพ้น จากความสยบติดในสุขเวทนาเหล่านั้นไปได้ท่านก็เพลิดเพลินอยู่กับเวทนาอย่างที่ท่านเล่าถึงนักปรยาธิท่านหนึ่งสมัยเอเล็กซานเดอร์ของกรีกยกกองทัพมาทางอินเดียมาเจอกับนักปรยาธิท่านหนึ่งท่านประกอบสุขด้วยการผึ่งแดดอุ่นๆเอเล็กซานเดอร์ก็ไปเยี่ยมเนื่องจากท่านก็เป็นลูกศิษย์นักปรยาธิใหญ่ของกรีก เข้าไปสอบถามสนทนาประจากันก็ชอบใจบอกว่าอาจารย์ต้องการอะไรก็ให้บอกก็จะมอบให้ทั้งหมดนักประยาผู้นั้นก็บอกว่าก็ขอความกรุณาให้พระองค์หลีกทางหน่อยเพราะว่าไปยืนบังแสงแดดเอาไว้ท่านต้องการจะพึ ง, พงแดดคั้งนั้นนี่ก็คือสุขเวทนาที่ต้องการจากการลึงแดดท่านนั่นเองโดยไม่ต้องการในเชิงที่รู ป, ปรวัตถุ คืตทหาว่าท่านจะขอปร า, าสาตราชสวังตำแหน่งหน้าที่การงานเป็นบุโรหิตเป็นต้นท่านก็ขอได้แต่ท่านก็ไม่ติดใจในเรื่องดัานั้นท่านติดในสุขเวทนาที่ท่านเห็นว่าเป็นความสุขสำหรับท่านทีนี่ก็ขึ้นอยู่กับว่าใครเห็นว่าเป็นยังไงสุขก็มีการมุ่งหมายมีการแสวงหากันจากนั้นแลว้าาวบรธรรมมาฆามันก็เข้าใจว่านั้นคือตัวที่เที่ยงแท้แน่นอน บางครั้งบางคราวมันก็เกิดขึ้นได้แม้แต่ในระดับที่บำเพ็ญเพียรทางจิตมาจนถึงชั้นของฌานดังกล่าวในตอนต้นเวลาท่านที่บำเพ็ญเพียรทางจิตซึ่งตามปกติแล้วจะมาติดอยู่สองแห่งติดแรงทีเดียวแห่งแรกก็คือที่ทุติยฌานเพราะในขณะนั้นจะมีปีติความเอิบอิ่มสูงมีความสุขสูงมีความสงบที่มั่นคง ท่านผู้ปฏิบัติจะติดอยู่ในปีติกับความสุขและความสงบซึ่งในยามปกติท่านก็สัมผัสไม่ได้แต่เมื่อจเจริญสมาธิไปโดยลาดับพอถึงนี้ท่านก็ติดพอติดหนักข้าวหนักข้าวท่านก็คิดว่านี่คือที่สุดแล้วคือบรมสุขแล้วไม่มีความสุขอื่นที่ยิ่งไปกว่านี้อีกแล้วทั้งทงที่ยังมีฌานอีกเป็นนันมากแต่ท่านก็ไปพบ ของแปลกใหม่ซึ่งไม่เคยพบมาก่อนเมื่อปฏิบัติไปชั้นของสมาธิก็จะพบความสุขตัวนั้นนัก็ติดซึ่งเรามีจำนวนอย่างหนึ่งเรียกว่าหลงชาติคือติดอยู่ตรงนั้นอย่างการปฏิบัติสมาธิของบุคคลทั้งหลายบางครั้งใจก็เดินดิ่งลงไปถึงจุดหนึ่งคือนิ่งแล้วก็นิ่งอยู่อย่างนั้นเป็นปีๆมันมีอาการสยบจิต ก็เรียกว่ามีอัศสทสะคือความยินดีในความนิ่งเหล่านั้นมันกลายเป็นความเคยชินของจิตใจแห่งผู้ประพฤติปฏิบัติเหมือนกับลักษณะที่บุคคลกระทําเป็นกิจประจําวันของตัวเองเจริเดินออกจากบ้านมักจะเลี้ยวไปทางไหนก่อนมักก็เลี้ยวไปทางนั้นคือทําจนเคยชินจิตเองก็เหมือนกันเมืกก่อแกเดินจนชินเกติดอยู่ที่ความสงบตี้ยิดอยู่ที่ความสุขติดอยู่ที่ปีติพอถึงสุขถึงสงบถึงปี ถึงปีติแกก็ติดนี่ก็คือติดในสุขเวทนา น, นั่นเองแม้ในสมัยพุทธการเองพระเทราเป็นนั้นมากมันเป็นเพียงทางจิตมาจนถึงสมาธิแล้วท่านก็ติดอยู่ที่สมาธิท่านไม่ยอมไปไหนจนในที่สุดกิเลสมันไม่ผูกขึ้นเพราะสมาธิเกิดอยู่ตลอดพวกฌานอยู่ประจำใจแล้วเข้าใจสาคัญมั่นหมายว่าตนบรรลุแล้ว เหตุนี้เองความคิดในสมัยก่อนพุทธกาลและแม้ในสมัยพุทธกาลเองจึงเกิดขึ้นออกหลายกิ่งหลายสาขามากมายหลายกองคราวหนึ่งพระพุทธเจ้าเคยสรุปความคิดเห็นของคนในยุคนั้นทั้งหมดเอาไว้ถึง62ประเภทด้วยกันเรียกว่าทิฏฐิออิทิฏฐิออเหล่านั้นเกิดขึ้นได้อย่างไร ในส่วนหนึ่งนั้นเป็นการคาดคะเนการนึกเดาเอาความเข้าใจเอาจากประสบการณ์ของท่านจะมีส่วนหนึ่งแล้วเกิดจากการบำเพ็ญเพียรทางจิตนี่เองแต่ท่านไปนติดอยู่ในจุดใดจุดหนึ่งท่านมองได้รอบทิศทางในจุดนั้นแล้วเข้าใจว่าเป็นอย่างนี้เท่านั้นไม่เป็นอย่างอื่นซึ่งเหมือนความรู้ของหิ่งห้อยที่อยู่ในกลาครอบหรือว่า ก, กบที่อยู่ในสะน้อย เข้าใจในสระนั้นได้โดยถ่องแท้อธิบายได้ชัดเจนแจม่มแจ้งแต่แท้แจริงสระมันก็ไม่ได้มีสระเดียวโลกไม่ได้มีเฉพาะสระนั้นสระเดียวหรือบริเวณทั้งหลายไม่ได้มีเฉพาะภายในกลาคลครอบเพงอย่างเดียวแต่เนื่องจากท่านก็อยู่เฉพาะตรงนั้นท่านก็ติดของท่านอย่างนั้นถลอดถึงท่านอาจารย์ของพระพุทธเจ้าสองท่านคือท่านอลาดาบทอุทกดาบทก็มีลักษณะอย่างนั้น ค, ค, คือก็ติดอยู่ในสุขเวทนาที่ท่านได้จากใจ แต่ว่าในช่วงหลังนั้นก็ติดในเสิงที่เป็นอรูปธรรมโดยความสำคัญมั่นหมายอยู่ในความเป็นของเที่ยงแท้แน่นอนของจิตคือเข้าใจว่าจิตนั้นเที่ยงจิตเป็นตัวธรรมดาสามัญที่เดินทางจากโลกสู่โลกมีการชี้แจงอธิบายเรื่องจิตกันโดยพิสดารออกไปแต่ใครไม่เคยสังเกตถึงความเปลี่ยนแปลงของจิต แท้จริงแล้วจิตมันก็ไม่เที่ยง เ, เวทนาเองก็ไม่เที่ยงกายเองก็ไม่เที่ยงอะไรเป็นการดำรงอยู่เพียงชั่วขณะเท่านั้นอาศัยความเพลิดเพลินอยู่ในจิตนี่เองก็มีการปักใจลงไปว่าจิตเป็นตัวยืนเป็นตัวเดินทางจากพบสู่พบไม่มีความเปลี่ยนแปลงด้วยตัวของมันเองคนเราจึงเหมือนกับ อยู่ที่บ้านจึงถูกไฟไหม้ไฟไหม้บ้านก็ย้ายไปอยู่บ้านใหม่ไม้อีกก็ย้ายไปอยู่บ้านใหม่อีกร่างกายจึงมีลักษณะเหมือนบ้านที่พอคนคนตายลงใจก็ย้ายไปหาร่างใหม่มีความเข้าใจว่าจิตเป็นของเที่ยงจึงกระจายแนวความคิดออกไปถึงที่มาของจิตว่าจิตนั้นมีแหล่งที่มาสากล คือมาจากจุดเดียวกันแต่ในที่สุดก็แยกย่อยออกไปความคิดเหล่านี้ก็เริ่มมีการสมมติบัญญัติชื่อเสียงของจิตสากลขึ้นมาในชั้นแรกก็เรียกว่าประชาบดี ต, ต, ต, ต, ต่อมาก็เรียกว่าปรมัตตมันต่อมาก็เรียกว่าปุรุษะต่อมาก็เรียกว่าปรมัตตมันต่อมาก็เรียกว่าพรหมมันต่อมาก็เรียกว่าพระพรหมต่อมาก็เรียกว่าพระเจ้า แล้วแต่จะเรียกนั่นก็คือกลุ่มจิตที่คิดกันว่าสากลชีวิตทุกชีวิตก็แยกมาจากตรงนั้นและในที่สุดก็ท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัตรแล้วแต่ใครจะรู้ได้มากน้อยแค่ไหนเพียงไหร่บางคนก็บอกว่ากลับไปรวมกับจิตติกลับไปรวมกับจิตสากล น, นั่นอีกซึ่งก็แล้วแต่จะเรียกเหมือนกันก็เป็นยุคเป็นสมัยกันไปแต่สรุปว่า คนเราแต่ละคนมาจากจุดเดียวกันและจะเข้าไปอยู่ในจุดเดียวกันจนความคิดเหล่านี้มีอิทธิพลเหนือจิตใจของคลผู้ศึกษาปฏิบัติธรรมะและมาอธิบายธรรมะในพระพุทธศาสนาเป็นแนวนั้นเหมือนกันทั้งที่พระพุทธดำรัสเองก็ไม่มีคำให้แปลได้อย่างนั้นเลยก็มีคนปจำนวนไม่น้อยก็คิดว่าเหมือนกับที่เขาสอนกันในยุคนั้นในสมัยนั้น เช่นทีพระพุทธเจ้าทรงรับรับสั่งว่าดูก่อนพิสูจทั้งหลายจิตนี้เป็นประภัดสอนแต่จิตเศร้ามองไปพระอุปกิเลส ท, ที่จอดมาเราก็เกิดไปแปลว่าจิตเดิมนั้นของแพร่แต่เศร้ามองไปพระอุปกิเลส ท, ที่จอดมาซึ่งคําว่าเดิมมันไม่มีอยู่เลยเป็นการแปลให้คล้อยตามความคิดเห็นที่มีอยู่ก่อนพุทธกาลเพราะไม่ได้ศึกษาถึงความไม่เที่ยงแท้แ น, น่นอนของจิต พระพุทธเจ้าก็ทรงสอนให้ดูจิตคือตั้งสติระลึกดูที่จิตแล้วก็ดูจิตที่เราเข้าใจว่าเป็นของจริงแท้แน่นอนนั้นที่จริงแกตั้งอยู่ได้ชั่วขณะแวบ็บเดียวแวบ็บเดียวเท่า น, นั้นเองแกก็เปลี่ยนตังแกไปเรื่อยมีโทสะบ้างมันมีโทสะบ้างมีราคะบ้างมันมีราคะบ้างมีโมหะบ้างมันมีโมหะบ้างเบื่อหน่ายบ้างไม่เบื่อหน่ายบ้างก็เปลี่ยนแกเรื่อยไม่ได้หยุดอยู่กับที่แต่การเกิดดับของจิตนั้นเป็น ตำานองเดียวกับกระแสไฟฟ้าอย่างที่รู้กันคนจึงไม่สามารถจะแยกได้ว่าแต่ที่จริงแล้วไม่มีภาวะที่เที่ยงแท้อยู่ในจิตจะ ก, ก็เป็นการเกิดสืบเนื่องตามรูปของสันติคนก็มองไม่เห็นชัดเจนคนอีกประเภทหนึ่งนั้นมีทิฏฐิจริตอ่อนแต่ ก, ก็ปัญญากล้าปัญญากล้าก็มัก คือมองเห็นกายเวทนาจิตว่าเป็นของไม่เที่ยงแต่ก็ไปเกาะที่ธรรมธรรมะทั้งหลายทั้งที่เป็นกุศลอกุศลซึ่งก็เป็นนามธรรมเข้าใจว่าเป็นภาวะที่เที่ยงแท้แน่นอนไม่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ไปยึดติดอยู่ในธรรมะเหล่านั้นซึ่งก็แล้วแต่ใครจะไปะยึดติดอยู่ในข้อใดในช่วงใดแล้วก็ปักใจยึดถืออยู่ในสิ่งเหล่านั้น กลายเป็นจุดสูงสุดหรือเป็นของที่ไม่มีความเปลี่ยนแปลงเป็นตัวเป็นตนปักใจลงไปอย่างนั้นพระพุทธเจ้าจึงประมวลธรรมะทั้งหมดเข้ามาแสดงเพื่อให้ผู้ปฏิบัติพิจารณาในองค์ของธรรมะเหล่านั้นแท้แท้จริงธรรมะเองก็เกิดขึ้นมาจากเขตุจากปัจจัยไม่ใช่ว่าเป็นสภาวะที่ยั่งยืนไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่ประการใดเชนว่า ขุสรและเจตนาต่างๆที่จะเกิดขึ้นเป็นเอตมีสติเนี่ยมันก็ต้องอาศัยองค์ประกอบหรือจะมีสัมปชัญญะก็ต้องอาศัยองค์ประกอบจะเห็นความทุกข์ได้ก็ต้องมีองค์ประกอบขึ้นมาธรามะจึงทรงอยู่เป็นอยู่อย่างนั้นแต่จะเกิดขึ้นมีพฤติกรรมหรือมีธรรมปฏิกริยาต่อ จ, จิตใจของบุคคลได้นั้นก็ต้องอาศัยองค์ประกอบจึงเกิดขึ้นพระเจ้าก็ให้ทรงศึกษาถึงรายละเอียดในเรื่องของธรรมะ เวลาบุคคลนําไปประพฤติปฏิบัติแล้วที่จริงไม่ใช่เริ่มไม่ว่าจะเริ่มจะจุดไหนก็ตามมันก็วิ่งไปด้วยคือคล้ายๆกับว่าคนไปเกาะอยู่ในที่หนึ่งเป้นที่หนึ่งจะพังก็มองซ้ายมองขวาเห็นที่หนึ่งก็วิ่งไปเกาะอีกมองไปมองมาไอ้ที่นั่นจะพังอีกก็วิ่งไปเกาะอีกอีกที่หนึ่งพอโดูจะพังอีกก็วิ่งไปเกาะอีกที่หนึ่งอีกและในที่สุดก็จะมุ่งสู่จุด ซึ่งเรียกว่าปลอดภัยที่สุดการปฏิบัติธรรมในทางพระพุทธศาสนาก็จะเริ่มอย่างนั้นสมมุติว่าคนที่เป็นตัณหาจริตอย่างแก่กล้าปัญญาน้อยครั้แรกก็จะติดอยู่ที่กายแต่เมื่อปฏิบัติไปปฏิบัติไปใจสงบสร้างสติปัญญาบางเกิดสูงขึ้นภายในใจิตใจของตัวเองก็มองเห็นกายว่าแท้จริงแล้วก็เป็นการเกาะกลุ่มของสิ่งต่างๆไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาแต่ประการใดก็มีความเปลี่ยนแปลงแปรแปรวนอยู่ทุกขณะทุกเวลา ก็เกิดเพ่งความขึ้นมาหาที่เกาะไม่ได้ก็วิ่งเข้าไปเกาะที่เวทนาเวทนาก็อาศัยแนวเดียวกันพอเห็นเวทนาประจกักษ์ชัดก็เข้าใจเวทนาชาัดเจนว่าไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเหมือนกันเช่นเดียวกับกายใจก็จะสายไปหาจิตแล้วก็วิ่งไปตามลําดับอย่างนี้เพราะงั้นเวลาปฏิบัติเช่นสมมติว่าบุคคลปฏิบัติในอนาปานสติกรรมฐาน พอปฏิบัติไปในอนาปานสติก็จะเดินบันไดไปเรื่อยๆและจะจากกายไปเวทนาจากเวทนาไปสู่จิตจากจิตไปสู่ธรรมจะเดินไปตามลําดับอย่างนั้นคือจะไปเองโดยอัตโนมัติเวลาเริ่มการปฏิบัติที่ถูกต้องทั้งนี้ทั้งนั้นจะต้องอสสาศัยการปฏิบัติเริ่มต้นที่ถูกต้องและจะเดินไปเองทังนั้นบางครั้งพระสูตรเดี่ยวพระสูตรเพียงพระสูตรเดียวทั้นั้นเช่นอนาปานสติสูตร หรือแม้แต่อนาปร ะ, ะหรืออนาปานสติสัญญาในสัญญาสิทธิ์ก็ทรงแสดงแนวเดียวกันคือหมายความว่าเริ่มต้นก็ดูที่กายคือลมหายใจเข้าและลมหายใจออกเพื่อเกิดความสงบไปก่อนปฏิบัติไปปฏิบัติไปมันก็จะมีความเปลี่ยนแปลงทางจิตเกิดเกิดขึ้นโดยลำดับจนถึงจุดหนึ่งมันก็เพิก ถ, ถอนความยึดติดในกายแต่ไขวคว้าอยู่ที่เวทนา ก็ให้วิเคราะห์ตรวจสอบที่เวทนาอีกพอเห็นว่าเวทนามันก็เหมือนกันก็คว้าที่จิตแล้วก็เดินขึ้นไปเรื่อยๆอย่างนี้ทรงแสดงในรูปของบันไดของจิตที่ก้าวเดินไปในกายสี่เวทนาสี่จิต4ี่ธรรม4 4่ก็เป็นสิบหขั้นหนกันเมื่อมาถึงธรรมะมันก็ไม่มีอะไรแล้วจึงมุ่งไปที่ธรรมเป็นบรมธรรมก็คือมรรคผลนิพพาน การปฏิบัติจึงมีอยู่สองช่วงไม่ว่าจะในเรื่องกายเวทนาจิตธรรมก็ตามคือช่วงแรกก่อให้เกิดเป็นความสงบโดยอาศัยสติเป็นตัวนําปัญญาตามความเพียรหนุนจะจับตัวไหนก่อนก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าใครจะเลือกจะอะไรเป็นที่สบายแก่ตนก็เลือกตรงนั้นพอถึงจุดหนึ่งปัญญาจะนําสติตามความเพียร น, นุนก็เป็นวิปัสสนาดังนั้นจึงทรงแสดงโดยปริยาหนึ่งว่าเพื่อให้ เกิดประโยชน์แก่คนที่สมถะญาณนิกวิปัสนาญาณนิกก็เป็นจำนวนภาษาบาลีหมายความอาศัยสมถะคือความสงบใจเป็นญาณภาณะที่จะนำไปสู่ความสงบหรืความรู้ยิ่งความรู้ดีความดับอีกพวกแนวหนึ่งก็เหมาะสมสำหรับพวกเจ้าเหตุเจ้าผลชอบคิดชอบคนชอบวิเคราะห์ตรวจสอบเขเรียกวิปัสสนาญาณนิกเกื้อสอัยชาติการใช้ปัญญาพิจารณาจนเห็นแจ้งประจักษ์ในสิ่งเหล่านั้นด้วยตัวเองจึงทรงแสดงจำแนก สติปัฏฐานในสูตรหรือมหา <ia> สติปัฏฐานสูตรออกไปเป็น4เพื่อให้เหมาะแก่จริตทั้งสองประการดังกล่าวคือกายเหมาะแก่ต <itation> ัณหาจริตอย่างหยาปัญญาน้อยจิตเหมาะแก่ตัณหาจริตอย่างอ่อนปัญญามากเวทนาเหมาะแก่ตัณหาจริตอย่างอ่อนปัญญามากจิตเหมาะแก่ทิฏฐิจริตอย่างแรงปัญญาน้อยธรรมะก็เหมาะแก่คนทิฏฐิจริตอย่างอ่อนปัญญามากแล้วให้เหมาะสมแก่คนซึ่งถนัด ด้วยวิธีสมถะกับถนัดโดยวิีวิธีวิปัสสนาซึ่งก็หมายความว่าถ้าหากว่าปฏิบัติได้ถูกตงตามหลักที่ทรงแสดงไว้แล้วใครจะเริ่มกันที่ตรงไหนก็ตามจุดบรรจบคือความสงบความรู้ยิ่งความรู้ดีความดับก็จะเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้นั้นตามสมควรแก่การประพฤติปฏิบัติแห่งตนต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทาความสงบสืบต่อไป